ของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้เรียนรู้ว่าพระพุทธเจ้าส่งสอนให้พวกเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่สำคัญอะไรเป็นสิ่งที่ไม่สำคัญเพื่อที่เราจะได้ใช้เวลาของเราไปกับสิ่งที่สำคัญ และไม่ใช้เวลาไปกับสิ่งที่ไม่สำคัญสิ่งที่ไม่สำคัญที่เราไม่ควรที่จะใช้เวลามากจนเกินไปก็คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้นั่นเองไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรเสริญ ไม่ว่าจะเป็นความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่เป็นสิ่งที่สำคัญหรือสิ่งที่จำเป็นที่พวกเราจะต้องมีกันสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เราควรจะให้เวลาก็คือจิตใจของพวกเราจิตใจของพวกเรานี้แหละ เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดังที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะความสุขความทุกข์ที่เราจะได้รับจากใจนี้เป็นความสุขและความทุกข์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ส่วนความสุขความทุกข์ที่เราจะได้จากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นความสุขแบบเล็กน้อยเป็นความทุกข์แบบเล็กน้อยถ้าเราเบื่แต่ให้เวลากับการหาความสุขจากสิ่งที่ไม่สําคัญหาความสุขที่เล็กน้อยใน เราก็จะไม่ได้ให้เวลากับการดูแลรักษาจิตใจของเราใจของเราก็จะเจอกับความทุกข์ต่างๆเวลาที่ใจเราทุกข์นี่มันทุกข์มากกว่าความทุกข์ที่เราได้สัมผัสจาก การสูญเสียสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ไปความทุกข์ท้องใจนี้จะทำให้เราถึงกับอยากจะฆ่าตัวตาย mm hmm. คนที่อยากจะฆ่าตัวตายหรือฆ่าตัวตายนี้ไม่ได้ทุกข์เพราะว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าสูญเสีย สิ่งต่างๆที่รักไปใจทุกข์พ่อใจไม่อยากจะสูญเสียสิ่งต่างๆที่รักไปใจทุกข์พาะไม่อยากให้ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์ตัวนี้ต่างหาที่ทำให้คนเราคิดฆ่าตัวตายกันแต่ถ้าเรา มาดูแลรักษาใจมาป้องกันไม่ให้ใจสร้างความทุกข์นี่เกิดขึ้นในใจเวลาที่เราสูญเสียอะไรไปเวลาที่ร่างกายเราเป็นอะไรไปเราจะไม่มีความทุกข์ทรมานใจถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายนี่แหละคือ ความสำคัญของการให้เวลากับใ จ, ใจิตใจดูแลใ จ, ใจิตใจสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใ จ, ใจิตใจใจที่ปราศจากภูมิคุ้มกันนี้จะถูกความทุกข์ลุ่มเล้าอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าใจที่มีภูมิคุ้มกันความทุกข์จะไม่สามารถ เข้ามารุมเล้าใจิตใจได้ไม่ว่าจะเจอกับเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เจตใจจะสามารถฟันฝ่าเหตุการณ์ต่างๆไปได้อย่างสบายไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียสิ่งต่างๆที่ทุกคนจะต้องสูญเสียกัน เพรสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่ว่าจะเป็นยศเป็นตําแหน่งอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสรรเสริญยกย่องเยินยอไม่ว่าจะเป็นความสุขที่หาผ่านหาจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ต่างๆ สิ่งเหล่านี้ไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีวันสิ้นสุดลงมีวันหมดลงเพราะร่างกายที่เราใช้เป็นเครื่องมือในการหาสิ่งเหล่านี้จะต้องเสื่อมชำรุดและจะต้องสิ้นสุดลงนั่นเองเวลาที่ร่างกายเข้าสู่วัยชารา เข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยจากโรคภัยต่างๆเข้าสู่ความตายเวลานั้นออสิ่งต่างๆที่เราใช้ให้ความสุขกับเราไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไม่ว่าจะเป็นยศเป็นตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นรางวีรางวัลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเวลานั้นเราก็จะสูญเสียหรือไม่สามารถเอาความสุขจากเสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้เวลานั้นถ้าใจเราไม่มีภูมิคุ้มกันใจเราจะรู้สึกทุกข์ทรมานมากจนถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายบางคนก็ฆ่าตัวตายไป สาเหตุของคนฆ่าตัวตายมันไม่ได้เกิดจากอะไรหรอกเกิดจากการไม่สามารถหาความสุขจากสิ่งต่างๆผ่านทางร่างกายได้นั่นเองเวลาสูญเสียทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสูญเสียคนที่รักสูญเสียสิ่งที่รักไปก็เกิดความทุกข์ทรมานใจจนถึงบางทีทนไม่ไหวก็อยากจะคิดฆ่าตัวตาย หรือถ้าไม่ได้สูญเสียทรัพสมบัติเข้าของเงินทองไม่ได้สูญเสียสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้แต่ร่างกายมันอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะเอาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ได้มันก็ไม่มีความสุขมันก็จะมีแต่ความทุกข์ก็จะคิดฆ่าตัวตายเดียวคนที่แก่นี้บางทีฆ่าตัวตายกัน คนที่เป็นโครคภัยไข้เจ็บที่รักษาไม่หายก็จะคิดฆ่าตัวตายกันนี่เป็นเพราะว่าใจไม่มีภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันของใจคืออะไรก็คือธรรมะเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พุทธบริษัทมาศึกษามาปฏิบัติกันมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจ เพื่อเวลาที่ใจต้องไปพบกับเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่ปรารถนาใจจะได้ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนใจจะสุขสบายเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้เพราะมีภูมิคุ้มกันมีธรรมะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับใจเจ้าพุธเรา พระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราทุ่มเทเวลาชีวิตจิตใจให้มากับการสร้างคุมคุ้มกันให้กับจิตใจดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับร่างกายเนี่ยเวลาที่ทางแพทย์เขารู้ว่าจะมีโรคระบาดเนี่ยเขาจะบอกให้ประชาชนรีบไปฉีดวัคซีนกัน เป็นภูมิคุ้มกันโรคภัยไข้เจ็บเด็กตั้งแต่เกิดมานี่เขาก็มีการฉีดวัคซีนให้แล้วฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆถ้าไม่ฉีดเดี๋ยวก็เป็นโรคขึ้นมาแต่ถ้าฉีดก็จะปลอดภัยใจของพวกเรานี่จะต้องเจอความทุกข์กันทุกคนทุกที่เกิดจากการสูญเสีย สิ่งที่เรารักไปสูญเสียบุคคลที่เรารักไปทุกข์ที่เกิดจากต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่ปรารถนากันทุกข์ที่เกิดจากความเสื่อมสภาพของร่างกายร่างกายจะต้องแก่จะต้องเจ็บจะต้องตายนี่คือโรคภัยไข้เจ็บของใจที่ จะต้องมาคุกคามใจในอนาคตที่จะถึงนี้เหมือนกับโรคภัยที่ระบาด ท, ทางร่างกาย ห, หมอจึงเตรียมยาวัคซีนไว้ให้ที่ต่างประเทศนพอเริ่มเข้าฤดูหนาวเนี่ยเขาเริ่มเตือนประชาชนให้ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคหวัดกัน เพราะโรกหวัดเป็นหวัดแบบชนิดดุนแรงไข้หวัดใหญ่ถึงตายได้สำหรับคนบางคนถ้ามีภูมิภูมิต้านทานน้อยต้องไปเพิ่มภูมิต้านทานด้วยการไปฉีดวัคซีนถ้าฉีดวัคซีนแล้วเวลาไปสัมผัสกับโรคเชื้อโรคที่จะมาสร้างไข้หวัดใหญ่ ร่างกายก็จะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่เพราะร่างกายมีภูมิคุ้มกันใจของพวกเราก็เหมือนกันเรากำลังจะมีโรคระบาดเข้ามาหาใจของพวกเราทุกคนโรคระบาดก็คือโรคกนารสูญเสียสิ่งที่เรารักบุคคลที่เรารัก โลกระบาด ท, ที่เกิดจากการต้องไ ป, ปเผชิญกับเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนากันใครจะไปรู้ว่าข้างหน้าสังคมบ้านเมืองจะเป็นอย่างไรมีสงครามเกิดขึ้นหรือไม่มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นหรือไม่แล้วนอกจากนั้นก็ยังมีภัยของร่างกาย ภัยของความแก่ภัยของความเจ็บไข้ได้ป่วยภัยของความตายที่จะตามมานี่คือเหมือนกับเชื่อโรคหรือเหมือนกับโรคภัยไ ข, ข้เจ็บที่จะมาคุกคามจิตใจของพวกเราทุกคนแต่พวกเราโชคดีเรามาเจอหมอวิเศษหมอวิเศษก็คือพระพุทธเจ้า และตัวแทนผู้ช่วยของพระพุทธเจ้าคือพระอริยสงสารกทั้งหลายที่ท่านมียาวิเศษมียาวัคซีนมาฉีดป้องกันภัยให้กับพวกเรายาวิเศษนี่ก็คือธรรมะนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันมาปฏิบัติกัน เพราะว่าถ้าเรามีธรรมะแล้วเราก็จะมีภูมิคุ้มกันป้องกันภัยของจิตใจต่อไปใจเราจะไม่เดือดร้อนกับการสูญเสียกับการพัดพรากจากกันไม่สูญเสียไม่ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับการที่จะต้องเผชิญกับเหตุการณ์น่าหวาดกลัวต่างๆเหตุการณ์อันตรายต่างๆ ไม่หวาดกลัวไม่เดือดร้อนกับเวลาที่ร่างกายเป็นอะไรไปนี่แหละคือความสำคัญของใจความสำคัญของธรรมะต่อใจธรรมะนี่เป็นเหมือนวัคซีนป้องกันภัยต่างๆที่จะมาคุกคามใจธรรมะเป็นผู้ที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้กับใจ ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้เดือดร้อนไม่ให้วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆอย่างที่พวกเราตอนนี้กำลังวุ่นวายกันวุ่นวายกันกเกือบทุกเรื่องไม่ว่ามีเรื่องอะไรก็วุ่นวายกันไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะไม่มีธรรมะไม่ได้มีภูมิคุ้มกันใจนั่นเองเพราะไม่ได้รู้เรื่องของโลกภัย ที่จะมาคุกคามใจเลยไม่ไปสนใจที่จะไปฉีดวัคซีนกันพอเจอเชื้อโรคเข้ามาก็เลยรับเข้าไปเต็มๆอุ่นวายกันกินไม่ได้นอนไม่หลับกันบางคนเพียงแต่ได้อ่านข่าวว่ากรุงเทพจะน้ำท่วมนี่ก็คิดจะโยกย้ายบ้านกันแล้ะ มาเดือดร้อนกับพระพระไม่รู้เรื่องเรื่องเราเราก็ถามว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพหรือเปล่าอวยพระไม่ได้เป็นหมอดูเนี่ไม่ได้เป็นผู้ดูเรื่องน้ำเรื่องดินฟ้าอากาศต้องไปถามที่กรมอตุตุนิยมวิทยามาถามพระควรจะย้ายบ้านหรือเปล่าอะไรก็ไม่รู้ เ, เรื่องเล็กๆน้อยๆแค่นี้เหมือนกระต่ายตื่นตูมนะ พอใครเขาพูดว่ามีอะไรปับขึ้นมานี่โอ้ตื่นเต้นกันไปหมดะนี่แหละคือลักษณะของใจที่ไม่มีภูมิคุมกันจะวุ่นวายจะเดือดร้อนไปกับข่าวลือข่าวไม่จริงข่าวข่าวจริงหรือไม่จริงก็ตามพอได้ยินที่มันคิดว่าจะมาสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับตนนี่ก็ ตื่นตระหนกกันไปหมดเตื่นแต้นหวาดกลัวกันไปหมด <c oughs> นี่เป็นเพราะไม่มีภูมิคุ้มกันใจไม่ได้ฉีดวัคซีนกันพวกนี้ไม่ชอบเข้าโรงพยาบาลไม่ชอบไปหาหมอของใจโรงพยาบาลของใจก็คือวัดวาอารามหมอของใจก็คือพระอริยสงสากุกที่กำลังรอจะฉีดวัคซีนให้ ไม่ยอมเข้ามาฉีดกันวัคซีนก็คือธรรมะคำสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เองถ้าเราศึกษาคําสั่งคําสอนเราก็จะรู้จักวัคซีนชนิดต่างๆพอเรารู้ว่าเราจะต้องฉีดวัคซีนเหล่านี้เพื่อป้องกันโรคภัยชนิดต่างๆที่จะมาคุก ค, คามจิตใจของพวกเราเราก็รีบฉีดกันเสีย เราฉีดกแล้วต่อไปเราจะปลอดภัยจากโรคที่จะมาทำให้ใจเราทุกทรมานจนถึงกับจะคิดฆ่าตัวตายได้น่วัคซีนที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเราฉีดกันก็มีอยู่สามชนิดด้วยกันเรียกว่าทานศีลภาวนานี่เองนี่แหละคือวัคซีนที่จะคุ้มครองจิตใจของพวกเรา ไม่ให้ทุกข์ไม่ให้ทรมานใจไปกับเหตุการณ์ต่างๆวัคซีนฐานนี้มีไว้เพื่ออะไรเพื่อป้องกันไม่ให้เราต้องไปวุ่นวายใจเดือดร้อนกับเรื่องเงินทองนี่พวกเราทุกวันนี้วุ่นวายไปกับการเรื่องหาเงินหาทองกันแล้วก็เดือดร้อนเวลาที่เงินทองไม่พอใช้กัน นั่นเป็นเพราะว่าเราไม่มีวัคซีนคือทานมาป้องกันถ้าเรามีวัคซีนมีทานมาป้องกันเราจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองเพราะว่าการทาทานนี้จะทำให้เราใช้เงินน้อยลงเพราะว่าเงินที่เราใช้มากนี่เป็นเงินที่ ใช้ไปในสิ่งที่ไม่จําเป็นใช้ไปตามความอยากใช้ไปเพื่อซื้อความสุขแต่เป็นความสุขปลอมเป็นความสุขที่ไม่อิ่มไม่พอซื้อมาเท่าไหร่ก็ต้องหายไปหมดก็ต้องคอยซื้ออยู่เรื่อยๆคอยฮก็ต้องคอยหาเงินมาซื้ออยู่เรื่อยๆพอเงินขาดมือเงินไม่พอใช้ ก็เกิดความทุกข์เดือดร้อนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราฉีดวัคซีนคือทานเวลาที่เราจะเอาเงินไปซื้อของตามความอยากต่างๆเราก็เอาไปทำบุญทำทานแทนมันก็จะทำให้ความอยากซื้อของต่างๆลดน้อยลงไปทำไม่กี่ครั้งต่อไปความอยากซื้อของไม่จำเป็นหายไปหมด ความอยากจะใช้เงินไปกับซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหราความอยากที่จะซื้อของที่เป็นพิษเป็นภัยเช่นอบายามุขเนี่ยต่างต่างเช่นเอาเงินไปซื้อสุราเอาเงินไปเล่นการพนันเอาเงินไปเที่ยวเนี่ยเหล่านี้มันจะหายไปหมดพอทุกครั้งที่เราจะเอาเงินไปใช้แบบนี้เราก็เอาทานมาส ก, กัดมัน เอาเงินไปทําทานแทนอแล้วเราจะได้ความสุขที่ยั่งยืนกว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินตามความอยากซื้อความสุขต่างๆเงิงนที่ได้เงินที่เอาไปทําทานนี้จะทําให้ใจเราอิ่มนานกว่ามีความสุขแล้วก็ไม่มีความอยากที่จะใช้เงินทองเวลาไม่มีเงินทอง จะใช้ทำบุญก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่เดือดร้อนไม่เหมือนกับเวลาที่ไม่มีเงินไปเที่ยวนี้มันจะเดือดร้อนไม่มีเงินซื้อเครื่องดื่มที่เราเคยดื่มเป็นประจำแม้ว่าจะเป็นเครื่องดื่มชนิดไหนก็ตามพอเราดื่มแล้วมันจะติดจะต้องคอยดื่มมันอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาใดที่ไม่ได้ดื่มก็จะรู้สึกหงุดหงิดลำคาญใจไม่มีความสุข เรื่อ ง, ง, งต่างๆเหล่านี้เราสามารถแก้ได้ด้วยการรู้จักใช้เงินให้ถูกวิธีอย่าเอาเงินทองไปใช้กับความอยากใช้กับสิ่งที่ไม่จำเป็นสิ่งที่จำเป็นนี้ใช้ได้อยู่แต่ก็ต้องใช้แบบพอประมาณถ้าใช้แบบเกินมันก็เป็นความอยากเหมือนกันเจนสิ่งที่จำเป็นต่อ การดำรงชีพคือปัจจัยสีนี้เราสามารถซื้อได้เอามาใช้ได้เช่นอาหารเครื่องนุ่งห่มที่อยู่อาศัยยารักษาโรคต่างๆสิ่งอันนี้จำเป็นเวลามีความขาดแคลนจำเป็นจะต้องซื้อมาพอเราจะต้องเอามาเลี้ยงดูรักษาร่างกายของเราให้อยู่เป็นปกติสุข แต่ถ้าซื้อของที่มันามากเกินไปเช่นอาหารมากเกินไปเสื้อผ้ามากเกินไปที่อยู่อาศัยมากเกินไปยามากเกินไปมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรมันทำให้เสียเงินเสียทองไปโดยใช่เหตุและจะทำให้เกิดปัญหาเกิดความทุกข์ได้เวลาเงินทองไม่พอซื้อ สิ่งเหล่านี้ตามความอยากนะแต่ถ้าเราซื้อสิ่งปัจจัยสี่ตามเหตุผลตามประโยชน์ที่มันจะที่จะได้นี่ไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินทองมากอาหารนี่มันมีหลายราคาใช่ไหมแต่เวลากินมันก็อิ่มเหมือนกันเรื่องอะไรไปเสียเงินหลายเท่า เมื่อไหเมื่อเราสามารถได้ความอิ่มจากการเสียเงินเท่าเดียวเช่นอาหารมื้อละร้อยนี่ก็น่าจะอิ่มแล้วทำไมต้องไปเสียมือ 500, ม้อละห้าร้อยมื้อละพันบางคนเสียมื้อละห้าพันะมันก็อิ่มเหมือนกันเนี่ยถ้าใช้ใช้เงินทองเพื่อปัจจัยปดัปดจจัยสี่แบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นความอยากอ ย, กอยู่ พออยากได้ความหรูหราอยากจะได้ความาวิจิตพิสดารของรูปแบบของอาหารที่มาเสิร์ฟเช่เนไปรับประทานตามพัตตาคารหรือโรงแรมที่มีราคาแพงๆเนี่ยเขาจะมีวิธีเสิร์ฟอาหารแบบเห็นแล้ว เ, เกิดความสุขในขณะที่ได้เห็นแต่อาหารที่กินนี่เหมือนกัน อ, อ, อาหารกินในโรงแรม ห, หรูๆหรือกินอาหารข้างถนนนี้เหมือนกันะก๋วยเตี๋ยวข้างถนนก๋วยเตี๋ยวโรงแรมมันก็ก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันะส้มตําในโรงแรมส้มตําในข้างถนนมันก็ส้มตําเหมือนกันะกินเข้าไปมันก็อิ่มเหมือนกันต่างกันตรงที่เสียเงินมากกว่ากันนั่นเองเข้าไปโรงแรมก็เสียเพิ่มอีกหลายเท่ากินข้างถนนก็เสียเท่าเดียวน นี่ต้องใช้เหตุผลในการบริโภคปัจจัยสี่เพื่อที่เราจะได้ประหยัดเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเสียเงินทองไปโดยใช่เหตุแล้วมันจะเราจะทำให้เราไม่ติดกับการใช้เงินทองแบบนี้ถ้าเราใช้เงินแบบรูหราแบบพุ่มเฟือยมันจะติดเวลาที่ไม่มีเงินกินอาหารในโรงแรมมรู้สึกไม่อร่อยใช่ไหม เรากินอาหารข้างถนนนี่รู้สึกกินไม่ลงไม่สมศักดิ์ศรีของเราเราแต่งตัวสวยๆห ล, ะละ่อๆไปนั่งข้างถนนกินต้มกว๋วยเตี๋ยวกินส้มตำเนี่ยมันรู้สึกมันไม่สมเนี่เราไปผูกตัวเราเองไว้กับเงินทองการใช้เงินทองโดยใช่เหตุทำให้เราต้องไปเพึ่งเงินทอง ทำให้เราต้องดิ้นรนคอยไปหาเงินทองมาสนับสนุนความอยากของเราแล้วถ้าเกิดมีอุปสรรคการหาเงินทองซึ่งไม่มีอะไรแน่นอนบางทีการงานอาจจะลดน้อยลงเขาอาจจะปลดคนงานออกเราตกงานขึ้นมารายได้ลดน้อยลงหรือรายได้ไม่มีแต่รายจ่ายมันไม่ยอมลดเชื่อหม มันเคยใช้อย่างไรมันก็อยากจะใช้อย่างนั้นต่อไปลบางทีมันก็จะกดดันให้ไปกู้หนี้ยืมสินขึ้นมาไปเป็นหนี้นีมีอะไรเพิ่งได้ยินข่าวมีดาราคนหนึ่งบอกเพิ่งไปปลดหนี้สิบห้าล้านมานทำไมต้องไปเป็นหนี้ตั้งสิบห้าล้านก็เพราะความติดกับการใช้เงินนี่แหละใช้เงินแบบฟู่ฟ้าใช้เงินแบบหรูหรา ใช้เงินแบบฟุ่มเฟือยเห็นอะไรชอบก็ซื้อมันไปหมดนะอย่างนี้แล้วก็ซื้อแบบเงินผ่อนเงินเท่านั้นพอถึงเวลาก็เป็นหนี้เป็นสินกันทีนี้ก็ต้องมารีบมาหาเงินมาใช้หนี้นี่แหละเราจึงต้องใช้วิธีของพระพุทธเจ้าฉีดวัคซีนของพระพุทธเจ้าด้วยการทําบุญทําทาน อยากจะมีความสุขจากการใช้เงินเอาเงินไปทําบุญทําทางจะได้ความสุขที่ไม่มีพิษมีภัยมันไม่มีความติดไม่เหมือนกับเอาเงินทองไปใช้กับความอยากใช้กับของฟุ่มเฟือยของหรูหราของเหล่านี้มันจะทําให้เราติดแล้วเราเวลาไม่มีเงินทองจะซื้อเราจะเดือดร้อนะ แต่เวลาเราเอาเงินทองไปทำบุญนี้เวลาไม่มีเงินทำบุญเราไม่เดือดร้อนเรานึกถึงบุญเก่าที่เราทำเราก็เหมือนกับได้ทำบุญใหม่คิดถึงบุญที่เราได้ทำในอดีตทำให้เราเกิดความสุขใจอิ่มใจขึ้นมาได้แล้วเราจะไม่มีความกดดันที่จะต้องไปดิ้นรนหาเงินหาทองมาใช้กับความอยากของเรา ถ้าเรารู้จักใช้แบบมักน้อยสันโดษมักน้อยก็คือใช้เท่าที่จําเป็นอาหารก็เอาแบบถูกที่สุดแต่มีคุณภาพเหมือนกับของที่แพงเสื้อผ้าก็เอาของที่ถูกที่สุดแต่ก็ทําหน้าที่ได้เหมือนกับเสื้อผ้าที่แพงะบ้านก็เอาแบบถูกที่สุดแต่ทาหน้าที่ได้เหมือนกับบ้านที่มีราคาแพง ยาก็เหมือนกันเอาแค่สาสิบาทรักษาทุกโรคมันก็รักษาได้ทุกโรคเหมือนกับไบเสียเงินหมื่นเงินแสนในโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนี่คือพวกเราเป็นหลงติดกับรสนิยมกันว่าเราต้องชะรักษาที่โรงพยาบาลแพงๆหมอดีกว่าหมอมันก็มาจากโรงพยาบาลรักษาโรคสสิบบาททุกโรคเนี่ย เราเคยไปรักษาโยมเขาอยากจะให้เรารักษาแพงๆก็เลยพาเราไปที่โรงพยาบาลเอกชนหมอเขาก็ซิปบอกหลวงพ่อไปรักษาโรงพยาบาลรัฐบาลก็เหมือนกันผมก็ทำงานที่นั่นไม่ต้องมาเสียเงินให้มันมากมายกายกองอาจจะได้ตรงที่ได้มีไม่ต้องมารอเวลาคนไม่ต้องมารอคิวทั้งนั้เองแล้วมีคนบริการยิ้มแย้มแจ่มใสหน่อย ถ้าไปโรงพยาบาลรัฐก็อาจจะเจอหน้าหมอบึง่งบังหน้าพยาบาลบึง่งบางคิ้วยาวบ้างอะไรเท่านั้นเองแต่เรื่องยาเรื่องหมอเรื่องวิธีการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บเหมือนกันทำไมจะต้องไปเสียเงินทองมากายนี่เป็นการลดภาระการหาเงินหาทองลด ความกดดันที่จะเกิดขึ้นจากเวลาที่เราไม่มีเงินทองใช้กันถ้าเราใช้แบบมากน้อยสันโดษเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองมากจนเกินไปอาจจะเดือดร้อนมากแต่ก็ไม่ถึงกับที่จะต้องคิดค่าตัวตายกันคนที่เคยใช้เงินแบบฟุม่มเฟือยแบบหรูหลาพอต้องไปรักษาโรงพยาบาลรัฐเนี่ยต้องไปกิน อาหารข้างถนนนี้บางทีทำไม่ได้นยอยากจะคิดค่าตัวตายเพราะเคยถูก เ, เคยฝึกฝุ่นอบลมให้อยู่แบบฟุ่งเฟือยอยู่แบบหรูหาราพอฐานะการเงินการทองมันมันมันเสื่อมลงมันตกลงไม่สามารถที่จะอยู่แบบนั้นได้ก็อับอายขายหน้าเพื่อนฝูงบ้างแล้ว ไม่อยากจะเจอหน้าเขา เ, ออเคยขับรถเบนซ์เดี๋ยวนี้ต้องมาขึ้นแท็กซี่ขึ้นรถเมย์อย่างนี้มันก็จะทำให้ใจทุกข์ทรมานจนถึงกับอยากจะฆ่าตัวตายกันบางคนก็ฆ่าตัวตายด้วยสาเหตุต่งนี้กันออแต่ถ้าเรามาแก้ด้วยการเลิกใช้เงินตามความอยาก ใช้เงินตามความจำเป็นแล้วก็ถ้าอยากจะได้ความสุขจากการใช้เงินก็เอาไปทำบุญทำทานไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนแล้วเราจะรู้สึกมีความสุขไม่เชื่อลองเปรียบเทียบดูระหว่างเอาเงินก้อนหนึ่งไปซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าชุดหนึ่งกับเอาเงินไปปล่อยนกปล่อยปลาก็ได้ความรู้สึกมันจะต่างกันเหมือนฟ้ากับดิน พอเราปล่อยนกป่อยปลาเราเรรู้สึกว่ยเราให้ความสุขให้อิสรภาพกับเขาให้ชีวิตกับเขาเวลาเราซื้อกระเป๋ารองเท้ามาเราได้อะไรได้ความดีใจเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวบางทีก็เก็บไว้ในตู้ไม่ไดเอามาใช้ซื้อมาแล้วบางทีเปลี่ยนใจเวลาอยู่ในร้านทําไมมันดูสวยแล้วกันพอมันอยู่ในบ้านมันทําไมไม่น่าดูเสียแล้ว นั่นแหละกิเลสมันหลอกเราความอยากมันจะหลอกเราเวลาเห็นอะไรนี่มันจะหลอกว่าดีดีดีให้หมดพอซื้อมาแล้วจึงมาถามทำไมเาซื้อมาทําไมวะซื้อเพราถือว่ามีเงินในกระเป๋านั้นเองใช่ช่วงที่เรามีเงินมันก็ซื้อได้แต่เราจะไปดูหรืออนาคตของเราว่ามันจะมีเงินแบบนี้ให้เราซื้ออยู่เรื่อยๆโลกนี้มันมีการขึ้นๆลงๆเนี่ย ไม่มีใครทํานายได้ว่าอนาคตของเรานี้เงินทองจะไหลามาเหมือนัที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้หรือไม่เห็นเพื่อความปลอดภัยอย่าไปพึ่งเงินทองมากจนเกินไปดีกว่าถ้าอยากจะมีความสุขจากการใช้เงินทองเอาเงินทองไปทําบุญถ้าไม่มีเงินทองทําบุญก็ยังถ้ามีเวลาว่างก็ไปเป็นอาสาสมัครทำทำคุณทําประโยชน์ ก็เป็นการทำบุญได้สามารถมีความสุขได้โดยต้องไม่ไม่ต้องใช้เงินทองอ น, นี่คือพระพุทธเจ้าทรงสอนทรงเห็นโทษของการพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือในการซื้อหาความสุขต่างๆอย่าไปใช้มันใช้ใช้ใช้กาลังกายกําลังใจของเราดีกว่าถ้าเราอยากจะมีความสุขเรามีเวลาว่างเราก็ไปเป็นอาสาสมัคร งานส า, าสมัครทุกชนิดที่เป็นประโยชน์กับผู้อื่นทําแล้วมันจะทําให้จิตใจเรามีความสุขอย่างญาติโยมก็มีญาติโยมมาดูแลเรื่องการถ่ายทอดนี่ก็ไม่ได้มีค่าจ้างรางวัลอะไรต่างๆมาเพราะมาแล้วทําแล้วมีความสุขดีกว่าเอาเวลาไปเที่ยวไปทําอะไรความสุขที่ได้มันต่างกัน ความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่มีพิษมีภัยไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำตามความอยากต่างๆมันมีพิษมันมีความทุกข์ตามมาเวลาที่อยากจะทำแล้วไม่ได้ทำเปียบเหมือนกับอาหารที่ปลอดสารพิษกับอาหารที่มีสารพิษเนี่ย อาหารปลอดสารพิษรับประทานเข้าไปแล้วไม่มีโรคมะเร็งตามมาแต่อาหารที่มีสารพิษนี้ดื่มรับประทานเข้าไปแล้วเดี๋ยวมีโรคมะเร็งตามมาเนี่ก็เหมือนกันการทำบุญทำทานนี้เป็นเหมือนกับให้อาหารกับใจเป็นอาหารที่ปลอดสารพิษคือปลอดความทุกข์ การใช้เงินตามความอยากต่างๆซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของไม่จำเป็นต่างๆเป็นการบริโภคอาหารที่มีสารพิษโรคที่จะตามมาโรคมะเงที่จะตามมาก็คือความทุกข์ใจเวลาที่เงินทองขาดมือเวลาที่เงินทองไม่พอใช้พอทุกข์แล้วความสุขที่เคยได้จากการใช้เงินมันหายไปไหนหมดไม่รู้ ให้มันมาช่วยเราดับความทุกข์มันมันก็ไม่มาแต่เวลาเราทุกข์ถ้าเราคิดถึงบุญที่เราทำนี่ความสุขที่เราได้จากบุญที่เราทำมันยังมาช่วยเยียวยาความทุกข์ของใจเราได้เวลาที่เราทุกข์เพราะเราไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้ไปนั่นมานี่ไม่ได้ทำตามความอยากถ้าเราคิดถึงบุญที่เราได้ทำไว้บุญมันก็จะมาทำให้เรามีความรู้สึกสุขใจขึ้นมาได้ นี่คือวัคซีนชนิดที่หนึ่งจะทำให้เราไม่ต้องมาเดือดร้อนกับเรื่องเงินทองมากจนเกินไปถ้าเราใช้เงินทองแบบแรงงานขั้นต่ำนี่ใครๆก็หาได้ใช่ไหมถ้าเราใช้เงินเพื่อมาบริโภคปัจจัยสี่แบบแบบราคาต่ำนี้ทางรัฐบาลเขาก็คำนวณแล้วว่าเนี่ยมละสามร้อยก็เหลือเฟือแล้ว พออยู่ได้แล้วบ้านไม่มีซื้อก็เช่าเขาได้เอไม่ต้องจเม้นจะต้องซื้อไปทําไมตายไปก็เอาไปไม่ได้าตายไปก็กลายเป็นของคนอื่นไปเรื่องอะไรซื้อให้คนอื่นใช้สู้เช่าันดีกว่าตายไปแล้วคนอื่นจะได้ไม่มาแย่งบ้านมาแย่งสมบัติของเราอีกออนี่ นี่คือเรื่องของวัคซีนข้อที่หนึ่งคือทานเราต้องฉีดกันรับรองได้ว่าถ้าฉีดวัคซีนด้วยการทำทานต่อไปเราจะไม่เดือดร้อนกับเรื่องเรื่องเรื่องเงินทองเท่าไหร่เราจะอยู่ใบแบบสันโดษยินดีตามมีตามเกิดได้มีเท่าไหร่ก็พยายามใช้เท่าที่เรามีหามาได้เท่าไหร่ก็ใช้ไปเท่าที่เรา หาได้ไม่ต้องไปวุ่นวายไปกลับไปกู้หนี้ยืมสินหรือดีไม่ดีไปทํำบาปด้วยการไปชอ่อกงเห็นไหมตอนนี้แชร์แชร์ระบาดกันอีกแล้วแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวก็ถูกจับติดคุกติดตารางกันอีกแล้วเนี่ยพวกนี้ชอมหาเงินแบบวิธีชอ่อกงหลอกลวงผู้อื่นถูกจับติดคุกแล้วยังไม่พอตายไปต้องไปเกิดในอบายไปเป็นเปรตเป็นอะไรอีก นี่เป็นผลที่จะตามมาถ้าไม่รู้จักทำบุญทาทานกันในพวกนี้รับประกันได้ไม่เป็นคนชอบทำบุญทาทานชอบใช้เงินชอบใช้ของฟุ่มเฟือยใช้ของหรูหราต่างๆทำบุญทาทานก็ทาแบบพอหอมปากหอมคอนทะ่านั้นทำตามทมเนียมวันเกิดก็ถวายสังฆทานสักแป้งหนึ่ง มันขึ้นปีใหม่ก็แต่งไม่ได้ทำแบบตั้งใจทำเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนอื่นนะให้พวกแปงๆนี่ปะ่ะพระเขาเห็นงบาวิ่งนีกันไม่รู้จะไปทำอะไรเป็นของที่ไม่มีคุณค่าราคาเป็นของที่ใช้ประโยชน์ไม่ค่อยได้ยาสบฟันก็หลอดนิดเดียวปากกระป๋องก็ รู้จะไปกินตอไห น, น, น, นพวกทาบุญแบบแบบหอมปากหอมคอตามทำธรรมเนียมทาพอเป็นพิธีวันเกิดทาบุญซะหน่อยอซื้อกระปง๋งใช้กระปง๋งเลยอย่างนี้ไม่เรียกว่าทาบุญ ทำบุญต้องมองถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากผู้รับเนี่ยเขาได้รับประโยชน์จริงๆเช่าเขาได้ใช้ของที่บรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนให้กับเขาจริงๆแต่ไปซื้อของที่เขามีซ้ำซ้อนอยู่แล้วเนี่ยกับแผงในวัดเต็มไปหมดเนี่ยใครมาเท่าได้กเขาหิวเขาง อซื้อของที่เราใช้กันดีกว่าใช้สบู่ใช้แปรงซื้อฟันยาซืฟันก็แบบของจริงๆไม่ใช่แบบแบบตัวอย่างของตัวอย่างที่เขาใส่ในกระเป๋าเนี่เป็นของตัวอย่างหลอสีอฟันก็หล่อนิดเดียวเอะไรก็นิดเดียวเพราะเขาจะต้องใส่ของหลายๆอย่างไปถ้าใส่ของใช้ดีๆมันราคาแพงคนก็ไม่อยากจะซื้อกัน คาจริงไม่ต้องซื้อผ้ากันแบบทุกกระแปงหรอกทุกกระแปงมีผ้าผืนหนึ่งไม่รู้จะไปทาไงผ้าก็ไม่ใหญ่พอที่จะมาุ่งมาห่มได้เป็นผ้าีิริ้วมากกว่าเออนี่ก็พูดเป็นตัวอย่างให้ฟังเรื่องของคนที่ไม่ไม่ชอบทําบุญแต่ทําบุญตามพิธีมักจะทาแบบแบบนี้ไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ที่จะเกิด กับผู้รับเนี่ยอันนี้ก็ทำไปอย่างนั้นเองแต่เขาไม่เคยทำอย่างจริงจังจังๆล้วก็ททำอย่างจริงๆงจังๆใช่เขาจะดูความทุกข์ยากเดือดร้อนของผู้รับว่าเขาขาดแคลนอะไรควรที่จะหาอะไรให้เขาไม่ใช่ไปหาในสิ่งที่ไม่เขาไม่ขาดแคลนมีอยู่เต็มไปหมดนี่ไม่เกิดประโยชน์อะไร นี่คือวัคซีนข้อที่หนึ่งที่พวกเราควรจะฉีดกันทำบุญทำทานทุกครั้งอยากจะซื้อของไม่จําเป็นเห็นอะไรสวยเห็นอะไรอยากได้อยากไปใช้มันเอาเงินไปทําบุญทําทานดีกว่าแล้วใจจะมีความอิ่มมีความสุขแล้วความอยากใช้เงินเวลาเห็นของสวยๆงามๆจะลดน้อยลงไปต่อไปจะไม่อยากไปช้อปปิ้ง อยู่บ้านดีกว่าไม่เหนื่อยไม่เสียเงินไปช้อปปิ้งนี่ต้องเดินเหนื่อยแล้วยังต้องพักกระเป๋าอีกกลับมาความสุขได้ก็เดี๋ยวเดีย ว, เ ด, ยวเดี๋ยวก็หมดไปเดี๋ยวอาทิตย์นหน้าก็ต้องไปช้อปใหม่อีกล่ะช้อปกันจนไม่มีที่เก็บข้าวเก็บของกันอันนี้ควรจะเลิกวิใช้เงินแบบนี้เพราะมันเป็นอันตราย พอเราจะเพึ่งเงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขต่างๆพอเงินทองกาดมือแล้วเราจะเดือดร้อนอาจจะทําให้เรากลายเป็นคนไม่ดีไปไปทำบาปทาํากรรมไปชอบไปชอโกงไปหลอกลวงผู้อื่นเพื่อเอาเงินของเขามาใช้แล้วไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อื่นเขา <c oughs> อันนี่คือการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกัน โลกที่จะมาคุกขามจิตใจความทุกข์ที่จะมาคุกขามจิตใจด้วยการทาบุญทาทานจะทำให้เราไม่เดือดร้อนกับเรื่องเงินทองไม่มีเงินทองเราก็อยู่เฉยๆได้อยากจะมีความสุขเราก็ไปเป็นอาสาสมัครทำงานทำบุญไอประโยชน์ให้กับสังคมได้มีความสุขได้โดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองซื้อความสุขกันเนะวลา ไม่มีเงินทองก็ไม่เดือดร้อนเวลาตกงานก็จะดีใจโอ้มีเวลาจะได้ไปฉีดวัคซีนอีกสองข้อคือฉีดศีลฉีดภาวนาได้การจะไปฉีดวัคซีนอีกสองข้อนี้ต้องมีเวลาว่างถ้ายังทำงานทำการอยู่มันก็จะไม่มีเวลาไปไปฉีดวัคซีนคือศีลไปถือศีลแปด แล้วไปภาวนาไปปฏิบัติธรรมที่จะต้องไปทาที่วัดต้องไปทาที่โรงพยาบาลวัคซีนสองชนิดนี้ต้องไปทาที่โรงพยาบาลของใจคือต้องไปที่วัดไปฉีดวัคซีนที่วัดไปรักษาศีลแปดที่วัดแล้วก็ไปฝึกภาวนากัน ไปหัดสร้างสติทำใจให้สงบเป็นส ม, มถะภ า, าวนาแล้วไปฟังเทศน์ฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นวิปัสสนาภาวนาถ้าเราสามารถไปฉีดวัคซีนอีกสองอันนี้ได้เราจะคุมโรคทุกชนิดที่มาคุกคามจิตใจของพวกเราได้แต่ถ้าเราเพียงแต่ฉีดวัคซีนชนิดเดียวก็ป้องกันภัยจากเรื่อง การขาดแคลนเงินทองได้เท่านั้นเรื่องอย่างอื่นนี่เรายังต้องเจอเราจะต้องทุกข์อยู่เรื่องของความาวุ่นวายใจเรื่องของความวิตกกังวลเรื่องของความเสียใจจากเหตุการณ์ต่างๆนี่มันยังไม่มีวัคซีนคุ้มกันวัคซีนที่จะคุ้มกันใจก็คือต้อง รักษาศีลแปดกันแล้วก็มาฝึกสมาธิทําใจให้สงบกันถ้าเราสามารถทําใจให้สงบได้แนละ้วทีนี้เวลาใจเราวุ่นวายกับเรื่องอะไรนี้เราสามารถหยุดมันได้ใครด่าเราเราหยุดมันได้ใครทําอะไรให้เราเสียใจเราหยุดมันได้ เราไม่ต้องไปทำอะไรไม่ต้องไปตอบโต้ใครไม่ต้องไปร้างแค้นไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวอะไรกับใครเพราะปัญหามันไม่ได้อยู่ที่เขาปัญหามันอยู่ที่ใจของเราที่ไม่สามารถตั้งอยู่ในความสงบได้พอมาใจวุ่นวายก็คิดว่าต้องไปแก้ที่คนนั้นคนนี้เพราะคนนั้นคนนี้ทําให้เราวุ่นวายใจขึ้นมาเราก็เลยต้องไปแก้ที่คนนั้นคนนี้ แต่ความจริงเหตุที่ทําให้เราวุ่นวายใจไม่ใช่คนนั้นคนนี้เหตุที่ทําให้เราวุ่นวายใจก็คือความหลงของเราความอยากของเราอยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเขาไม่ทําเราก็เลยไปโทษเขาว่าทําให้เราวุ่นวายใจแต่ความจริงมันเกิดจากความอยากของเราถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาทาอย่างนั้นทําอย่างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เราจะวุ่นวายใจไหมไม่วุ่นวายใจนะ คนที่เราไม่รู้จักเขาทำอะไรเราวุ่นวายใจหรือเปล่าเราไม่วุ่นรายใจเพราะเราไม่มีความอยากให้เขาทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เขาจะทำอะไรก็ไม่มีปัญหากับเราแต่พอคนที่เรารู้จักเราเกิดความอยากให้เขาทาอย่างนั้นทำอย่างนี้ให้เราพอเขาไม่ทาให้เราเราก็โกรธเขาบ้างเสียใจบ้างน้อยใจบ้างวุ่นวายใจบ้างอันนี้เป็นปัญหาที่เกิดจาก การไม่รู้จักระ ง, งับความอยากและไม่รู้จักทําใจให้สงบนั่นเองถ้าเราทําใจให้สงบได้ความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หายไปพอหายไปความวุ่นวายใจหายไปเขายังเป็นอย่างเดิมอยู่ก็มไม่เป็นปัญหาอะไรรู้สึกอันนี้เริ่มเสียงเบาลงนะเดี๋ยวฐานคงจะหมดมั้งเนือตัวไหนไมันหายไปเสียงเบาไปตัวหนึ่งแต่เมื่อเวลาแล้วก็ ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปเราต้องมาฉีดวัคซีนสองชนิดนี้มันไปคู่กันการที่เราจะไปฉีดวัคซีนภาวนาได้เราต้องถือศินแปดเพราะสินแปดจะทําให้เรามีเวลานั่นเองถ้าเรายังไม่ถือศินแปดอยู่เรายังไปเที่ยวได้ยังไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆได้ไปดูไปดู เดี๋ยวปรับเสียงหน่อยโอเคเราจึงต้องมาฉีดวัคซีนคือมาหัดถือศีลแปดก่อนเออบื้องต้นก็ฉีดนิดหน่อยถ้าฉีดมากเดี๋ยวแพ้รับไม่ไหวหมอบางทีก็ต้องฉีดหลายหลยหลายครั้งด้วยกัน เ, ออเวลาฉีดยานี่ถ้าฉีดทีเดียวเยอะๆร่างกายมันสู้ไม่ได้อาจจะช็อกตายได้ใจก็เหมือนกันถ้าอยู่ดีๆให้มาถือศีแปด ทักเดือนหนึ่งเดียวตายเบื้องต้นก็หันมาถือสินแปดแค่วันหนึ่งก่อนเอาวันอาทิตย์ละวันวันพระวันที่เราไม่ทำงานวันพระความจริงไม่ใช่วันที่เดี๋ยวนี้ทัางคณะสงฆ์กหนดขึ้นเพราะมันไม่ตรงกับความเป็นจริงใชแล้วความจริงความเป็นจริงของขอ ง, ของวันพระก็คือวันหยุดทำงานสมัยก่อนนี่พวกเราหยุดทางานวันพระกัน แต่สมัยนี้เราเปลี่ยนวันหยุดทำงานมาเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์กันพอเราเข้าสู่โลกสากลเราต้องติดต่อกับโลกต่างประเทศเขาส่วนใหญ่เขาหยุดเสาร์อาทิตย์กันเราก็เลยต้องเปลี่ยนวันหยุดของเราจากวันพระมาเป็นวันเสาร์อาทิตย์กันแต่คณะสงฆ์นี่ยังยังเป็นเต่าเลื้อยคลานอยู่ยังไม่รู้ทันกับภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปของโลกยังรักษายังใช้วันพระ วันขึ้นแลมเป็นวันหยุดทํางานอยู่ซึ่งมันไม่ตรงกับความเป็นจริงญาติโยมเห็นไหมวันพระคือวันจันทร์ที่จะถึงนี่ญาติโยมต้องไปทํางานกันก็จะเข้าวัดไม่ได้มาฉีดวัคซีนกันไม่ได้นั้นทาง จ, นนะงจริงคณะสงฆ์จึงควรจะเปลี่ยนวันพระใหม่หรือเพิ่มวันพระเพิ่มก็ได้เพิ่มอีกสองวันตามความเป็นจริง ความเป็นจริงก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์นี่แหละเป็นวันหยุดทำงานเป็นวันพระของญาติโยมในสมัยปัจจุบันนี้ส่วนวันพระที่แบบโบราณนี่ก็ไว้สำหรับญาติโยมที่ยังสามารถหยุดทำงานในวันวันพระได้คือพวกที่มีกิจกรรมกิจการของตนเองมีร้านค้าของตนเองก็อาจจะปิดร้านวันวันพระได้ หรือบางทีก็ปิดไม่ได้เพราะต้องทํามาค้าขายเกี่ยวข้องกันไปหมดเอก็เลยทําให้คนเข้าวัดน้อยลงถ้าใช้วันพระเป็นวันเดิมอยู่วันพระเป็นวันที่หยุดทํางานแต่ญาติโยมไปทํางานก็ไม่เข้าวัดกันเเอนีญาติโยมเลยห่างจากวัดกันสมัยนี้คนหนุ่มคนสาวไม่รู้จักวัดไม่รู้จักวันพระวันโกนว่าเป็นวันอะไรกันเพราะว่า เขาไม่เข้าวัดเขาไม่ได้มีเวลาเข้าวัดเข้ามาศึกษานั่นเองก็เลยทำให้ <c oughs> <c oughs> เขาห่างไกลจากวัดพอห่างไกลจากวัดความประพฤติของเขาก็เสื่อมลงเห็นอหมอจริยธรรมต่างๆเสื่อมลงกลายเป็นลิงเป็นข้างมากขึ้นกลายแทนที่จะเป็นคนเรียบร้อยน่าส ำ, สำรวมกายวาจากับกายทำตัวอย่างเป็นลิงเป็นข้างกันไปหมด ถ่ายรูปนี้ต้องยกแข้งยกขากันยกไม้ยกมือกันนี่เป็นอาการของหลิงของผู้ที่ไม่มีอาการสำรวมของผู้ที่ไม่เป็นมนุษย์เนี่ยมนุษย์นี้เขามีความสำนึกเขาไม่ได้ดูความสวยงามที่ร่างกายไม่ได้ดูความสวยงามที่การยกแข้งยกขา มนุษย์เขารู้ว่าความสวยงามอยู่ที่ความเรียบร้อยทางกายทางวาจาและทางใจนั่นแหละคือมนุษย์เขาถึงยกย่องมนุษย์ว่าประเสริฐกว่าเดรัจฉานใช่ไหมเดรัจฉานมันไม่รู้จักว่าความสวยงามอยู่ที่ตรงไหนเดรัจฉานมันก็ชอบแยกเขี้ยวยกแข้งยกขาแต่มนุษย์นี่เวลาสัมลูมนี่แหละเป็นอาการที่อ เรียบร้อยสวยงามเพราะผู้ที่เขาสำรวมนี้ไม่ไปสร้างปัญหาให้กับผู้อื่นนั่นเองสังเกตดูถ้าพวกเราไม่มานั่งเรียบร้อยมากระโดดโลดเต้นกันตรงนี้เป็นไงจะมาฟังเทศฟังธรรมกันได้เปล่าจะมาเรียนรู้ความรู้ขั้นสูงได้หรือเปล่าพวกที่ชอบเต้นรำเต้นการเลยไม่ค่อชอบมาเข้าวัดกันเหมือนพวกลิงพวกข้างมันไม่มานั่งฟังเทศฟังธรรมกันเนี่ย มันก็ไปกระโดดลดเต้นตามต้นไม้ของมันตามภาษาของมันเพราะถ้าจะมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้ความรู้อันสูงนี่จำเป็นจะต้องมาในฐานะของมนุษย์มาด้วยอาการที่สารวมกายวาจาใจให้อยู่ในความสงบนั่นเองนี่คือ <c oughs> เรื่องของศีลมีไว้เพื่อที่จะทำให้มนุษย์เหล่านี้พร้อมที่จะมา ฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนขั้นที่ขั้นที่สองและขั้นที่สามให้หาวันหยุดวันหนึ่งวันเพื่อมาเข้าวัดถ้าเบื้องต้นยังอยู่ไม่ได้ก็อย่างน้อยก็มาฟังเทศฟังธรรมอย่างที่ญาติโยมฟังกันอยู่ฟังแล้วพอฟังบ่อยๆแล้วก็จะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นเห็นคุณค่าของการที่จะมาศึกษามาปฏิบัติธรรมมากขึ้น ก็อยากจะมาเพิ่มแล้วก็อยากจะลองปฏิบัติกันก็จะเตรียมตัวเตรียมใจเอาว่าวันนี้ขอถือศีลแปดสักวันยอมหมดข้าวเย็นสักวันดูซิว่ามันจะตายไหม ย, ยอมเลิกดูหนังดูละครสักคืนหนึ่งไม่นอนกับแฟนสักคืนหนึ่งดูซิว่ามันจะตายไหมดูซิว่ามายอยู่วัดถือศีลแปดมาฝึกสมาธิมันดีกว่าหรือไม่ถ้าลองได้ทําแล้วมันจะเห็นว่ามันแตกต่างกันเหมือนฟ้ากับดินฮะ ความสุขที่ได้จากการรักษาศีลความสุขที่ได้จากการฝึกสมาธิความสุขที่ได้จากาา ก, าาจาการเรียนรู้ธรรมะรู้ความจริงรู้สิ่งที่จะมาช่วยกาจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของเราให้หมดไป เราจะเริ่มเห็นความแตกต่างระหว่างเวลาที่เราอยู่บ้านกับอยู่วัดว่าเออเวลาอยู่บ้านนี้เรื่องราวมันมากมายเหลือเกินวุ่นวายกับเรื่องนั้นวุ่นวายกับเรื่องนี้วุ่นวายกับคนนั้นวุ่นวายกับคนนี้พอมาอยู่วัดหายไปหมดเลยเรื่องของคนนั้นเรื่องของคนนี้เรามาอยู่เรามาควบคุมใจควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้ใจเราคิดถึงบ้านไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ต่างๆ แล้วมันก็จะไม่เข้ามาในใจของเราใจเราก็จะเบาจะโร่งเหมือนยกภูกเขาออกจากอกที่พวกเราหนักอกหนักใจกันไม่ได้เกิดจากการที่เราไปแบกภูกเขาหรอกมันเกิดจากการเราไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็อยากให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอมันไม่ได้ดังใจก็เลยรู้สึกแหมมันหนักอกหนักใจไปหมดจะทำไม่นู่นก็ทาไม่ได้จะทาไม่นี่ก็ทาไม่ได้เนี่ย เราไปแบกมันเองด้วยความคิดของเราพอได้มาอยู่วัดได้มีเวลามาฝึกสติบริกรรมพุทโธพุทโธหรือคอยควบคุมบังคับใจไม่ให้คิดให้อยู่กับร่างกายที่กําลังเคลื่อนไหวอยู่กําลังทําอะไรอยู่อย่าให้ไปที่อื่นให้อยู่ที่ร่างกายหรือพุทโธพุทโธไปความคิดที่หนักหกหนักใจก็จะหายไป ความเบา อ, อกเบาใจความล่ง อ, อกล่งใจก็ปรากฏขึ้นมาอันนี้แหละเป็นวิธีที่เราจะลดภาระของความกดดันของจิตใจเรื่องของความหนัก อ, อกหนักใจเรื่องของวุ่นวายใจต่างๆมันจะหายไปแต่มันขั้นนี้มันเป็นเพียงแต่หายไปแบบชั่วคราวขั้นของสตินี้ถ้ามีสติควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดเรื่องหนัก อ, อกหนักใจมันก็หายไปชั่วคราว แต่พอเพ้อสติพอเริ่มกลับไปคิดใหม่มันก็จะหนักหกหนักใจใหม่แล้วก็ต้องเพิ่มวัคซีนอีก อีกหลอดอย่างอีกชนิดหนึ่งคือวัคซีนปัญญาถ้าเราฉีดวัคซีนด้วยปัญญาเข้าไปทีนี้ถึงแม้เราจะคิดปัญญาก็จะสอนว่าคิดแบบนี้ไม่ดีอย่าไปคิดคิดแล้วทำให้หนักหกหนักใจให้คิดแบบนี้ดีกว่าอย่าไปคิดว่าเขาเป็นเราเป็นของเราให้คิดว่าเขาไม่ได้เป็นเราเป็นของเราอย่าไปคิดว่าเขาจะอยู่กับเราไปตลอด ให้คิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องมีวันพัดพ่าจากกันไปไอ้คิดมุมกลับอย่าไปคิดมุมเดิมมุมเดิมเราจะมักจะไปคิดว่าเขาเขาเป็นเราเป็นของเราเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดเขาจะไม่มีวันจากเราไปเขาจะให้ความสุขกับเราไปตลอดอันนี้เป็นคิดที่จะทำให้เกิดหนักอกหนักใจขึ้นมาเวลาที่เขาเป็นอะไรขึ้นมาอ้า มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเสียแล้วคิดว่าเขาจะเป็นของเราไปตลอดนี่ทําท่าจะไปใช่แล้วนี่ก็จะทําให้เราเกิดอารมณ์เกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาแต่เราคิดล่วงหน้าไว้ก่อนว่าวันดีขึ้นดีเขาจะไปเมื่อไหร่ก็ได้นะเขาจะไปแบบเป็นก็ได้ไปแบบตายก็ได้ไม่มีใครรู้วันใดวันหนึ่งเขาเบื่อเราขึ้นมาเขาอาจจะทิ้งเราก็ได้ ให้คิดแบบนี้เปลี่ยนวิธีคิดใหม่อย่าไปคิดว่าเขาจะต้องเป็นของเราไปตลอดอยู่กับเราไปจนวันตายให้ความสุขกับเราไปจนวันตายมันไม่มีหรอกสิ่งเหล่านี้มันเป็นความเพ้อฝันของเราความเป็นจริงนี้มันไม่มีอะไรแน่นอนมีมามีไปมีเกิดมีดับมีขึ้นมีลงมีดีมีชั่วสามวันดีสี่วันไข่ทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้ เราอย่าไปหลงกับความเพ้อฝันของเราอันนี้มันไม่ใช่เป็นความจริงความจริงนี่เราไม่มองกันเราเชอบไปมองที่ความเพ้อฝันเพราะเพ้อฝันแบบนี้ทำให้มันมีความสุขใช่ไหมแต่พอเจอความจริงมาก็แทกให้มันแตกขึ้นไปถึงจะตกใจโอ้ความเพ้อฝันของเรามันไม่ตรงกับความเป็นจริงเลยพอจังเจอกับความเป็นจริงก็รับรับไม่ได้ทุกทรมาจนที่อยากจะฆ่าตัวตายขึ้นมา แต่ถ้าเราคอยหมนสอนใจให้คิดไปในทางความเป็นจริงเรียกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่แน่นอนมันไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างถาวรไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องมีพัดพาคจากกันไม่จากกันตอนเป็นก็ต้องจากกันตอนตายไม่ว่าจากกันตอนไหนมันก็ทุกข์ทรมานใจทั้งนั้นแต่ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้ไม่ไปยึดไปติดไปหวังไปอยากกับสิ่งต่าง พอเราไม่ไปยึดไปติดไม่ไปหวังจากสิ่งต่างๆเวลาเขาเปลี่ยนไปเราจะไม่ทุกข์เราจะไม่เดือดร้อนเวลาเขาจากจากไปเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้ไปผูกความหวังของเราอยู่กับเขาเสร็จแล้วเราอยู่กับความเป็นจริงได้อยู่กับความเปลี่ยนแปลงได้แล้วเราก็มีสิ่งที่ดีกว่าที่เราได้สร้างขึ้นจากสติของเราก็คือความสงบอยถ้าเรา ดูว่าเราความคิดของเรานี่วุ่นวายใจเหตุการณ์ต่างๆทําทให้เราวุ่นวายใจเราก็เข้าสู่ความสงบไปกลับมาหาพุทโธกลับมาสติทําใจให้สงบแล้วใจก็จะไม่ทุกข์กับเหตุการณ์ต่างๆนี่เราเป็นวัคซีนที่สําคัญคือปัญญาแต่ก่อนจะฉีดวัคซีนคือปัญญาต้องฉีดวัคซีนคือสมาธิก่อนแล้วก่อนจะฉีดวัคซีนสมาธิได้ก็ต้อง ฉีดวัคซีนคือศีลแปดก่อนถ้าไม่มีศีลแปดก็ไม่มีเวลามาฉีดวัคซีนสมาธิกับปัญญาได้แล้วถ้าไม่ฉีดวัคซีนศีลถ้าและการที่จะมาฉีดวัคซีนศีลแปดได้ก็ต้องไปฉีดวัคซีนทําบุญทําทานก่อนเพื่อที่จะทําให้เราลดเวลาการหาเงินใช้เงินให้น้อยลงเพื่อที่เราจะได้มีเวลาว่าง มาฉีดวัคซีนคือศีลแปดมาฉีดวัคซีนคือสมาธิมาฉีดวัคซีนคือปัญญานั่นเองนี่คือขั้นตอนของธรรมะในการสร้างภุมมคุ้มกันความทุกข์ที่จะมาคุกขามกับจิตใจถ้าเราได้ฉีดวัคซีนทั้ง4ชนิดนี้แล้วรับรองได้ว่าจะไม่มีความทุกข์กล้าเข้ามาในใจของเราอีกต่อไปเข้ามาไม่ได้เข้ามาก็มาทำให้ใจเราทุกข์ไม่ได้เหมือนกับโครคภัยไข้เจ็บ ที่ถึงแม้จะเข้ามาในร่างกายก็ไม่สามารถทำให้โรคภัยให้ร่างกายเกิดโรคภัยไข้เจ็บได้เพราะมีวัคซีนคุมภูมิคุ้มกันโรคภัยต่างๆไว้นั่นเอง นี่แหละคือเรื่องที่พระเจ้าเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาศึกษามารู้กันว่าอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญและอะไรเป็นสิ่งที่ไม่สําคัญสิ่งที่ไม่สําคัญก็คือสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเดี๋ยวก็ต้องจากกันสิ่งที่สำคัญสําคัญก็คือใจที่เป็นสิ่งที่ถาวรและถ้าเราต้องการให้ใจของเราที่เป็นสิ่งที่ถาวรนี้ไม่ทุกข์เราก็ต้องไปฉีดวัคซีนกัน เราต้องไปศึกษาธรรมะแล้วก็ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าพอเราปฏิบัติตามเราก็จะได้ฉีดวัคซีนได้เอาธรรมะเข้ามาเป็นเป็นภูมิคุ้มกันใจของเราไม่ให้ทุกข์อีกต่อไปดังนั้นขอให้ท่านจงนําเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิิจจารณาและนําเอาไปปฏิบัติเพื่อความสุขและความพ้นทุกข์ที่จะตามมาต่อไป การแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวาหาปุราปิริปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปปักปติอิชิตังปติตังตุมหังกิปะเมวะสมิจาโตสัพเพปุเรนโตสังกะปาจันโทปนะราโสยะถามณีโชติอะรา โสยะาสัพิตโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ อาภวาทานาสิลิสะนิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียว หลังจากเลิกปิดใหม่แล้วก็จะงดถามถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาวันนี้ผู้ติดตามทางบ้านมีเท่าไหร่คะทางเฟ c e b o o สองร y อยเก้าสิบยูทสองร้อยห้าสิบห้าวิทย์ออนไลน์สิบหกรับฟังบนเขาหนึ่งร้อยสิบสี่รวมทั้งหมดหกรอยเจ็ดสิบห้าท่านค่ะโอเค ถ้ามีคำถามก็ถามได้เลยคำถามจากคุณนิยาค่ะอยากสะสมบุญให้มากๆเจ้าค่ะทาอย่างไรดีจะได้มีบุญมากๆแต่การอยากมีบุญมากๆจัดเป็นความโลภไหมคะโลภ บ, บุญไม่เป็นไรหรอกอย่าไปโลภเงินอย่าไปโลภแฟนโลภเงินโลภ บ, บุญนี่มีแต่ประโยชน์นะโลภได้แต่โลภเฉยๆไม่พอโลภแล้วต้องทำ อยากได้บุญเยอะๆแต่ไม่ทําก็ไม่ได้เห็นต้องทํำบุญไปอ่านดูบุญสิบชนิดเนี่ยที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สร้างบุญกันบุญที่เกิดจากทานการให้บุญที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ทําบาบุญที่เกิดจากการภาวนาฝึกสมาธิปัญญาบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาบุญ บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นนับใช้ผู้อื่นบุญที่เกิดจากการมีความอ่อนน้อมถ่อมตนบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าบุญมีจริงบาปมีจริงนรกมีจริงสวรรค์มีจริงเวียนว่ายตายเกิดมีจริงนะ อันนี้เป็นบุญถ้ามีความเห็นอย่างนี้เพราะเป็นความจริงถ้าไปเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีนาลกสวรรค์ไม่มีเป็นของแต่งขึ้นมาเวียนว่ายตายเกิดไม่มีอันนี้เป็นของปลอมจะทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวจึงต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องถ้าไม่มีก็ต้องไปสร้างบุญอีกชนิดหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรม อ่าฟังเทศฟังธรรมก็จะได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ว่ามีจริงแล้วถ้าเราได้ธรรมะมาแล้วจะไปแบ่งให้กับผู้อื่นก็เรียกว่าเป็นการทำมาทานต่อเอาธรรมะที่ได้เราเรียนรู้ไปแจกจ่ายไปซ้อนคนอื่นเราก็จะได้ทามาทานเป็นบุญอีกอันหนึ่งนี่คือบุญต่างๆที่อยากจะทาทำได้ แต่บุญที่สำคัญที่สุดก็คือขั้นแรกก็คือบุญที่ฟังธรรมขั้นที่สองบุญที่มีความเห็นที่ถูกต้องพอมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะนำไปสู่ข้อที่สามคือทาทานข้อที่สี่คือรักษาศีลข้อที่ห้าคือภาวนาบุญอย่างอื่นก็ทำไปตามโอกาสมีโอกาสก็ทำไม่มีโอกาสก็ไม่เป็นไรไม่ทำก็ไม่ไม่เสียหาย แต่ที่ต้องทำก็คือขั้นแรกต้องฟังทำก่อนเพื่อให้มีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องแล้วจะได้รู้ว่าต้องทำทานต้องรักษาศีลต้องภาวนาแล้วพอนำมาไปปฏิบัติบุญก็จะส่งผลให้จิตใจร่ำรวยมีความสุขความเจริญหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง คำถามที่สองคะ่ะรู้สึกว่าช่วงนี้มีปัญหาเข้ามาหลายอย่างหลายเรื่องให้เราต้องแก้ไขหรือฝ่าฟันเราจะใช้หลักการใดช่วยให้เราแก้ปัญหาต่างๆหรือบอริหารจัดการปัญหาอย่างถูกต้องเจ้าคะก็หล <sk r ani> ักความเป็นจริงเลยแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็แก้ไม่ได้ถ้าเราใช้หลักความเป็นจริงใจเราจะไม่ทุกข์ ที่เราทุกข์เพราะเราใช้หลักความอยากไม่ใช่หลักความเป็นจริงอยากจะแก้ให้ได้แต่มันแก้ไม่ได้ก็เลยทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าแก้ไปตามความเป็นจริงแก้ได้ก็แก้แก้ไม่ได้ก็ชั่งมันใจเราก็จะไม่ทุกข์เนี่ยเวลามีปัญหาเกิดขึ้นมันมีปัญหาสองเด้งปัญหาข้างนอกกับปัญหาข้างในปัญหาข้างนอกที่เราพยายามแก้พอแก้ไม่ได้ก็เลยสร้างปัญหาข้างในคือความไม่สบายใจขึ้นมา ความไม่สบายใจนี้เราแก้ได้อด้วยการใช้หลักความเป็นจริงแก้ปัญหาไปเท่าที่จะแก้ได้แก้ไม่ได้ก็ปล่อยวางพอปล่อยวางใจก็จะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ไม่เป็นปัญหาขึ้นมาข้อสามค่ะเราจะรู้ได้อย่างไรว่าบุญบา ร, รมีเราอยู่ในะระดับไหนบุญเราน้อยหรือมากแค่ไหนคะ่ะอ๋อเราก็เปรียบเทียบดูคนอื่นเลย ถ้าเรารถวิ่งคันเดียวเราจะไม่รู้ว่าวิ่งเร็ววิ่งช้าใช่ไหมต้องไปแข่งกันคันไหนก็วิ่งเร็วกว่าเราก็แสดงว่าเขามีพลังมากกว่าเรามีความเร็วมากกว่าเราแล้วก็ดูเลยบุญบารมีของแต่ละคนเป็นยังไงบางคนทําไมร่ํารวยทําไมบางคนยากจนนะบางคนทําไมฉลาดบางทีบางคนโง่บางคนดีบางคนชั่วเนี่ยเป็นเครื่องวัดบารมีต่างๆ คำถามจากคุณสุรชัยค่ะผมปฏิบัติโดยการสวดมนต์นั่งสมาธิพักหลังๆมานี้เหมือนผมจับอารมณ์ผิดตอนนี้รู้สึกเหมือนเวลานั่งสมาธิแล้วรู้สึกนิ่งเหมือนอยู่ในผวังดูลมหายใจไม่ได้พูดโทไม่ได้เป็นเพราะอะไรเหรอครับเพรามันนิ่งไงแต่มันนิ่งก็ไม่ต้องดูอะไรคอยใช้สติคันรักษาความนิ่งไปให้มันนิ่งไปนานๆเท่านั้นเอง ที่มันไม่นิ่งก็ต้องดูลมแล้วดูใช้พุโทโธทำให้มันนิ่งพอมันนิ่งแล้วก็ใช้สติคอยรักษาความนิ่งอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้ามันไม่คิดมันก็จะนิ่งไปเรื่อยพอมันเริ่มคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะหายนิ่งหมดแล้วเลยอันนี้เป็นพ่ออะไรฐานหรือว่าเครื่องมันแหง้งแบต ห, หมดนะแบตของตัวไหนของคดีน่าจะชัดไม่เข้าหออ๋อต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ ปัญหาของอุปกรณ์ก็อย่างนี้แหละมีมีเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ต้องมาคอยแก้อยู่เรื่อยๆเพราะมีตัวแปรเยอะไม่ชาร์จไฟบางทีไฟดับบางบางทีเสียบปลั๊กไม่นั่นไฟไม่เข้าเต็มที่บางมันก็เลยส่งผลเวลามาใช้มันมันก็จะมีปัญหาตามมาก็ท่านที่ติดตามทางบ้านก็ขอขอให้อ่ ให้อภัยให้ความเข้าใจด้วยว่ามันเป็นเรื่องของอุปกรณ์เรื่องของความไม่แน่นอนของสิ่งต่างๆเพราะกว่าจะไปส่งไปถึงบ้านได้นี่มันต้องใช้อะไรเยอะแยะใช้เครื่องใช้แบตใช้สัญญาณใช้อุปกรณ์ขยายเสียงอะไรต่างๆซึ่งมันมีโอกาสที่จะเป็นปัญหาขึ้นมาได้งั้นก็ถ้าดูช่องนี้ไม่ได้ก็มีอีกช่องหนึ่งมีสองเครื่องกลับไปดูย้อนหนังก็ได้ เดี๋ยวพอถ่ายทอดเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเก็บไว้เป็นเป็นเป็นไฟล์ให้ดูย้อนหลังได้ทั้ง YouTube ทั้ง f a c e b o ๊ k มีคำถามต่อไหมยังไม่มีค่ะอาจารยยังไม่มีอ่ามาแล้วคู่สําลองเขาเรียกคำถามสําลองเมื่อวานนี้ที่หลวงพ่ออธิบายเรื่องอุเบกขาหรือเรื่องเเฉยนะคะ มันเป็นช่วงช่วงชัวง่วคราวที่ ที่ที่เฉยได้เนี่ยตรงนั้นก็คืออโลภาอโทสะอโมหะแล้วเป่าคะเออไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงเหมือนกับที่คนเมื่อกี้ถามนั้นจิตนิ่ง อ, อ่นั่นแหละตอนนั้นมันก็หนึ่งแต่พอออกมาปุ๊บเดี๋ยวมันคิดนู้นคิดนี่ก็เหมือนก็เริ่มปรุงแต่งแต่แต่ช่วงนั้นเนเรากําลังสะสมกุศลแจิตอยู่ใช่ไหม อ, อ่พอออกมามันก็ยังจะนิ่งอยู่สักพักหนึ่งเหมือนน้าที่เราไปแช่ในตู้เย็นชแช่ไว้มันก็เย็น พอเอาออกมาใหม่ๆมันก็ยังเย็นอยู่ช่ว <Okay. S 2> งนั้นเราก็จะเอามาใช้ทางปัญญาได้ <Okay. S 2> แต่พอมันเริ่มร้อนขึ้นมา <Okay. S 2> ก็คิดเรื่องนุ้นเรื่องนี้วุ่นวาย <Okay. S 2> ก็ต้องกลับเข้าไปทำให้มันเย็นใหม่ค่ะ okay. นั้นคำถามที่คำถามแรกหรือไงที่ถามว่าทำยังไงถึงจะสะสมบุญเยอะๆนี่ก็คือทาไวตรงนี้ไวเยอะๆอย่างนั้น <Okay. S 1> ใช่ไหมคะ okay. ก็น่ต้องรู้วิธีทำก่อนไงต้องฟังเทศฟังธรรมก่อนพอรู้แล้วก็ไปทำแล้วก็ทำให้มันสะสมไว้เยอะๆเพราะเบขาเนี่ยิ่งทำมากมันก็ยิ่งอยู่อยู่ได้นานตรงนี้ที่เราเอากำลังตรงนี้มาใช้เจริญปัญญาแล้วก็สู้กับกิเลสตัดความอยากได้ขอบพระคุณค่ะไม่มีเลยไม่มีก็ยะปิดรายการแล้ว่างั้นเอาแค่นี้แล้วนะ